ดัะภควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมดัศภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมดัศภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสนาขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้อริยสัจจะทำได้ถูกต้องด้วยพระองค์เอง แม้ประยิพานนานแล้วยังปรากฏอยู่โดยพระคุณดังนี้ยทาปิรุจิรังภุพังวันณวันตังอากันทกังเฮวังสุพาสิตาวาจาอภาลาโหติอากุปโตยทาปิรุจิรังภุพัง วันวันทังสคันเกังเอวังสุภาศิตาวาจาสัพพราโหติสุกุพโตดอกไม้งามมีสีแต่ไม่มีกลิ่นหอมฉันใดวาจาสุภาษิตก็ฉันนั้นย่อมไม่มีผลแก่ผู้ไม่ทำอยู่ส่วนดอกไม้งาม มีสีพร้อมด้วยกลิ่นหอมฉันใดวาจาสุภาษิตก็ฉันนั้นย่อมมีผลแก่ผู้ทาดีอยู่ดังนี้วนนีบัดนี้อัจฉรภาพจะได้นำาารทำคำสอนของพระบรมศ า, ศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและของพระอรหรันต์เช่นพระมหากัสปะมาแสดง ให้แกท่านสาธุชนทั้งหลายเพื่อให้พระธรรมคำสั่งสอนนั้นได้สอนให้เกิดปัญญาเกิดศรัทธาและกุศลธรรมอื่นๆแก่จิตใจของท่านเพื่อให้ปัญญาศรัทธาเป็นต้นนั้นกำจัดกิเลสมีโมหะความไม่รู้ความจริงความไม่ศรัทธาเป็นต้น ให้บรรเทาเบาบางไปและเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของท่านคือความสุขในการฟังธรรมในวันนี้จะได้นำพระสุตตันตปิฎกสังยุตตะนิกายนิทานวักในปรัมมรณสูตรว่าด้วยสัตว์ตายไปแล้วเกิดอีกหรือไม่เกิดซึ่งเป็นเรื่องของพระมหากัสปะ และท่านภาษารีบุตรเพราะว่าได้นําชีวประวัติของพระท่านของท่านพระมหากัสปะมาแสดงต่อนเนื่องเนื่องจากว่าพระสูตรนี้อยู่ในกัสปะสังยุตจึงนํามาให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาในคําสอนของพระมหากัสปะด้วยป ร, ร, รามปรณสูตรนั้นมีเนื้อความว่าสมัยหนึ่ง ท่านพระมหากัสปะและท่านพระสารีบุตรอยู่นป่าอิศิปตนะมรุกทายวันเขตพระนครสาวัตถีาขอภายเขตพระนครพาราณสีใครที่เคยไปที่อินเดียก็คงพอจะนึกภาพออกซึ่งเป็นธรรมเมกะสถุปาสถกปฐมเทศนาบริเวณ น, นั้นก็มีเนื้อมีกวางอยู่เป็นจำนวนมาก ครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรออกจากที่เร้นในเวลาเย็นเข้าไปหาท่านพระมหากัสปะถึงที่อยู่ท่านเข้าไปหาแล้วได้ปราศัยกับท่านพระมหากัสปะท่านผ่านการปราศัยพอให้ระลึก ถ, ถึงกันไปแล้วจึงนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งก่ารท่านพระสารีบุตรนั่งเรียบร้อยแล้วได้ถามท่านพระมหากัสปะว่า ดูก่อนท่านกัจสปะสัตว์เมื่อตายไปแล้วเกิดอีกหรือถามว่าสัตว์ที่ตายไปแล้วเนี่ยเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกหรือเปล่าตาภาษาของเราท่านพระมหากัจจปะตอบว่าข้อนี้คือปัญหานี้พระพุทมีพระภาคเจ้าไม่ได้ทรงพยากรคือไม่ได้ท่งชี้ชัดหรือตอบปัญหาชี้ขาดไว้ ทำไมถึงผู้เผยพเจ้าจึงไม่ตอบก็มีเหตุผลจึงจะได้กล่าวในต่อไปท่านพระสารีบุตรได้ถามต่อว่าสัตว์เมื่อตายไปแล้วไม่เกิดอีกหรือในตอนแรกตอถามว่าไปเกิดอีกหรือตอนนี้ก็ว่าสัตว์ตายไปแล้วไม่เกิดอีกหรือท่านพระมหากัรสปะก็ตอบว่าแม้ข้อนี้พระมิรภาคเจ้า ก็ไม่ได้ส่งพยากรณ์ไว้ปัญหานี้ก็ไม่ตอบเช่นกันท่านพระสารีบุตรถามอีกว่าสัตว์เมื่อตายไปแล้วเกิดก็มีไม่เกิดก็มีหรือท่านพระมหากรสปะก็ยังตอบเหมือนเดิมว่าข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ได้ส่งพยากรณ์ตอบไว้ท่านสารีบุตรถามต่อไปอีกว่าสัตว์เมื่อตายไปแล้ว เกิดอีกก็หามิได้ไม่เกิดอีกก็หามิได้หรือคำว่าหรือนี่คงจะใช่ไหมอย่างเงี้ยศัพท์ตายไปแล้วเนี่ยเกิดอีกก็ไม่มีไม่เกิดอีกก็ไม่มีใช่ไหมท่านพระหมหากัสปะก็ตอบว่าแม้ข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ได้ทรงพยากรณ์ไว้เป็นอันว่าปัญหาทั้งสี่ข้อนี้เป็นปัญหาที่ต้องถามกันอยู่ในสมัยนั้น ท่านภาษาดิบุตรก็นํามาถามท่านพระมหากัสปะเห็นได้ว่าข้าราชการเนี่ยมาพบกันเนี่ยจะถามปัญหาธรรมสนทนาธรรมหรือไม่ก็แสดงธรรมให้แก่กันและกันโดยโดยอิงหลักคือคําสอนพระพุทธเจ้าเสมอท่านพระมหากัสปะเองไม่ได้ไม่ได้ตอบคําถามนี้ด้วยความคิดเห็นของท่านเองท่านตอบว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรง พยากรณชี้ชัดชี้ขาดเอาไว้ท่านคล้อยตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างนี่เป็นวิสัยของพระอรหันต์จะไม่มีความคิดขัดแย้งกับพระพุทธมิลภาคเจ้าเลยแต่ปุรุชนเนี่ยเราขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าตลอด ท, ทั้งที่เรากล่าวว่าเราเป็นพุทธมาม ก, กะพุทธมาม ก, กะแปลว่าผู้ยอมรับพระรตระตยเป็นสมบัติของตนหรือที่เรากล่าวว่าชาวพุทธเนี่ย บางทีแล้วว่ากล่าวขัดแย้งกับพู้เผยพเจ้า โ, โดยรู้บ้างไม่รู้บ้างเพราะฉะนั้นคนที่กล่าวขัดแย้งกับผู้เผยพเจ้าเนี่ยจะเชื่อเป็นพุทธามกกะไม่ได้เชื่อเป็นพุทธศาสนิกชนไม่ได้เชื่อเป็นสาวกก็ไม่ได้เพราะมากล่าวโต้แย้งกับผู้เผยพเจ้าเสร็แล้วแล้วจะนับถือพู้เผยพเจ้าอย่างไรที่เรานับถือพู้เผยพเจ้าเพราะเรายอมรับคําของท่านว่าถูกต้องต่างหากว่าปัญญาของท่านที่กล่าว แสดงธรรมเนี่ยถูกต้องทุกอย่างไม่มีผิดพลาดนั้นเมื่อพุทธเจ้าไม่ตอบปัญหาอันใดเราก็ไม่ต้องไปตอบปัญหาอันนั้นแต่ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เขาสงสัยกันมานานแล้วว่าตายแล้วมันมีเกิดอีกหรือเปล่าหรือว่ามันไม่เกิดหรือว่าเกิดก็มีไม่เกิดก็มีหรือว่าเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่อันนี้เป็นที่เขาขบคิดกันมาตาม อำนาจของวิจิิจฉาความสงสัยที่เกิดขึ้นว่าเราเนี่ยมันมีหรือเปล่าแล้วเราในอดีตมีไหมเราในอนาคตจะมีอีกไหมเราในอนาคตก็คือเราจะเกิดหรือไม่เกิดเป็นเรื่องปกติของของคนไม่มีปัญญาที่จะไปรู้ได้ว่าไอ้ที่เรียกว่าสัตว์นี่คืออะไร ไอ้ที่เรียกว่าเกิดนี่คืออะไรไอ้ที่เรียกว่าตายเนี่ยคืออะไรอะไรมันเกิดอะไรมันตายอะไรมันเป็นเหตุให้เกิดอะไรมันเป็นเหตุให้ตายอะไรเป็นเหตุให้เรียกว่าสัตว์เนี่ยคนไม่มีปัญญาไม่รู้เพราะฉะนั้นพระด เ, ดเจ้าก็ไม่ได้ทรงพยากรณ์ไว้ท่านภาษาในบุตรก็จะถามต่อเลยว่าเพราะเหตุไรหรือข้อที่กล่าวถึงนั้น ข้อที่กล่าวถึงนั้นๆพระพุทมีพระภาคเจ้าจึงไม่ได้ทรงพยากรณไว้พระอรหันต์จะถามเหตุเสมอถามเหตุถามผลเสมอที่พระพุทธเจ้าไม่พยากรณนะ์เป็นผลมีเหตุอะไรล่ะจึงไม่พยากรณเพราะว่าวิสัยบัณฑิตทั้งหลายจะทําอะไรเนี่ยจะต้องมีเหตุที่บุ่งไปสู่ประโยชน์เสมอไปหมด เพราะฉะนั้นท่านภาษาดิบุตรจึงถามว่าทําไมผู้เผยพเจ้าจึงไม่ตอบแล้วก่อนท่านที่ภาษาดิบุตรก็รู้อยู่แล้วว่าผู้เผยพเจ้าไม่ตอบท่านพระมหาคัสสะ ต, ต, ตอบว่าเพราะข้อนั้นไม่มีประโยชน์ไม่เป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกาหนัดเพื่อดับกิเลสเพื่อจะไปสงบเพื่อรู้ยิ่ง เพื่อตัดสรู้เพื่อนิพพานเพราะเหตุนั้นครับมิระภากเจ้าจึงไม่ได้สรงพยากรไว้คือว่าไอความเห็นอย่างเนี้ยมันไม่อิงประโยชน์ถามมาแล้วต่อไปก็ไม่ได้ประโยชน์คือไม่ก่อให้เกิดความเห็นถูกและก็ยังไม่เป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายต่อไปแล้วก็ไม่ได้เบื่อหน่ายไม่ได้คลายความหนักไม่ได้ดับกิเลสไม่ได้กิดโดยเฉพาะกิเลสคือมิจฉาทิฐิไม่ได้ดับไม่ได้เข้าไปเพื่อเกิดปัญญาเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตัดทุรุเพื่อนิพพานเลยถ้อยคําอะไรหรือปัญหาอะไรที่ไม่เป็นไปอย่างนี้คือไม่มีประโยชน์แก่ผู้ฟังคือไม่เกิดกุศลแก่ผู้ฟังเนี่ยผู้เจ้าจะไม่ตอบ จะไม่แสดงแต่อันใดก็ตามนะถ้าเป็นประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติพรหมจรรย์เป็นไปเพื่อความหน่ายคือเบื่อหน่ายเป็นไปเพื่อความคลายกำหนับคลายราคะเพื่อดับกิเลสทั้งหลายเพื่อสงบกิเลสทั้งหลายเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตัดจรู้เพื่อนิพพานเพื่อรู้ยิ่งก็คือเพื่อรู้ในความจริงอันยิ่งเพื่อตัดจรู้เพื่อนิพพานและวผู้ได้แก่จะแสดงหมด ถ้าตรงกันชา้า้วจะไม่แสดงนี่คือวิสัยของนักปราบของบัณฑิตแท้ๆพิจารณาประโยชน์ซะก่อนตอบไปแล้วเขาเขาได้ประโยชน์ไหมเขาไม่ได้หรืวบางทีทำให้เขาเกิดโทษเสียประโยชน์ไปซะอีกก็ยิ่งไม่ตอบเลยเพราะฉะนั้นเอาปัจจุบันดีกว่าว่าทํายังไงจะได้ประโยชน์แก่ชีวิตอย่าไปสนใจปัญหาอันนี้เลยนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่พยากรณ์ และโดยเหตุสําคัญนะคือว่าถ้าพยากรณ์ไปแล้วเนี่ยคนที่มีความเห็นดิ่งไปแล้วว่าจะต้องตอบอย่างนี้แนะ่เขาก็จะคัดค้านพระพุทธเจ้าอยู่นั่นเองสมมติว่าเขาเห็นว่าตายแล้วเนี่ยต้องเกิดแนะ่เพราะพระพุทธเจ้าเกิดบอกว่าตายแล้วไม่เกิดเนี่ยเขาก็จะเป็นปฏิปักษ์ทะเลาะวิวาสกับพระพุทธเจ้าทันทีเลยมีความเห็นคัดค้านโกรธเคือทงทันที เพราะนั้นก็จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทาให้เกิดความขัดแยง้งวิวาทซึ่งจริงๆแล้วคำถามเราเนี่ยตั้งไม่ดีตั้งไม่ถูกนะจึงไม่ตอบอีกด้วยเพราะนั้นท่ า, า, านพระสาริบุตรจึงถามต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นรพระพุทธภาคเจ้าทรงพยากรณ์ไว้อย่างไรเล่าก็ถามต่อผู้ดีเจ้าสแสดงเรื่องอะไรชี้ชัดเรื่องอะไรไว้ที่จะเป็นประโยชน์ เป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติธรหมจรรย์เป็นไปเพื่อความหน่ายเป็นต้นท่านภาษาริบุตรกล่าวตอบว่าพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้ว่านี้ทุกข์นี้ทุกก็คืออุปาทานขันธ์ห้านี่เป็นเจ้าของทุกขท่านจะแสดงอย่างนี้เท่านั้นทุก์เนี่ยมันมีอยู่ประจําอุปาทานขันธ์ห้ามีรูปอยู่ที่ไหนมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไหนทุกขอยู่ที่นั้น ทุกไม่เคยหนีไปเลยจากอุปท า, านขันห้านี้ท่านแสดงเรื่องจริงอันนี้ว่าอันนี้คือทุกขอุปท า, านขันห้าไม่ได้เป็นตัวใครนะเป็นขันที่อุปท า, านเข้าไปยึดถือว่าเป็นของมันเท่านั้นเองเป็นตัวมันของมันเท่านั้นเองแต่แท้จริงแล้วทั้ง้ตัวอุปท า, านทั้งตัวขันไม่มีตัวใครเป็นทุกข์ทั้งคู่ แสดงริยสัตว์วันนี้ทุกนี่เหตุเกิดแห่งทุกเหตุเกิดแห่งทุกนี้ก็คือตัวตันหาสามอย่างคือการมาตันหาภาวะตันหาวิภภาวะตันหาสมอย่างนี้ไม่เหมือนกันอันนี้แหละเป็นตัวให้เหตุให้เกิดเป็นเหตุให้เกิดผลคืออุปทานขันท่าอุปทานขันท่านั้นเป็นผลเกิดได้เพราะการมาตันหาเป็นต้นสร้างขึ้นมา อย่างอุปทานขันท่าของเราเนี่ยที่สมมุติว่าเป็นของเราเนี่ยตัณหาเก่ามันสร้างตัณหาในอดีตมันสร้างเอาเป็นประธานอย่างนั้นนะเอาตัวตัณหาเป็นประธานความจริงก็มีสิ่งที่ช่วยตัณหามันสร้างอีกเช่นกรรมเช่นอวิชชาอย่างนี้แต่ว่ายกเอาตัณหามาซะแล้วก็พอนี้ทุกนี้เหตุเกิดแห่งทุกคือตัณหานี้ความดับทุก ความดับทุกข์นี้คือพระ น, นิพพานพระนิพพานไม่ใช่อุปทานขันธ์ห้าพระนิพพานานี่ก็ไม่ใช่ตัณหาคนละอย่างเลยมีนิพพานอยู่ที่ไหนไม่มีอุปทานขันธ์ห้าที่นั้นหรือมีอุปทานขันธ์ห้าที่ไหนก็ไม่มีนิพพานที่นั้นเช่นกันความดับทุกข์นี้ก็เป็นการดับตัณหานั่นเองและประการสุดท้ายจะบอกนี้คือทางให้ถึงความดับทุกข์ ก็คืออาริยมรรตมีองค์แปดสภาวธรรมแปดอย่างที่รวมกันแล้วเนี่ยทำงานรวมกันแล้วเนี่ยทำให้ทุกข์มันดับทำให้ตัณหามันดับทำให้พระนิพพานแจ่มแจ้งขึ้นหรือถึงพระนิพพานได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าแสดงเพราะว่าเป็นประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติพรหมจรรย์คนมีปัญญารู้จักทุกข์ซะแล้ว วัตถุนี่ไม่ใช่ที่ไหนเลยอยู่ที่นี่เองและอุปาทานกันห้าก็ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ไหนก็ที่กายที่ใจนี่เองอันนี้นะจริงจะเกิดประโยชน์แก่บุคคลผู้ฟังส่วนจะไปตอบปราสัตว์เกิดหรือไม่เกิดหรือเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่มันไม่มีประโยชน์อะไรทุกมันไม่ได้ดับไปด้วยปัญญาไม่ได้เกิดไปด้วยเพราะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงอย่างนี้ก็จะเป็นเหตุให้คนที่ฟัง ได้รับประโยชน์โดยแท้จริงท่านภาษาธิบุตถามต่อว่าก็เพราะเหตุอะไรข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงพยากรณ์ไว้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงแสดงอริยสัจสี่ประการว่านี่ทุกข์นะไม่เคยเป็นอย่างอื่นเลยคุณจะขอร้องอ้อนวอนบังคับขับไสแช่งดา่ามยังไงมันก็ไม่เคยเป็นสุขมันก็เป็นทุกข์อยู่นั่นแนะคือมันต้องบีบคั้นมันต้องแปรปรวนมันต้องเดือดร้อน มันต้องทนยากอยู่อย่างเนี้ยไม่เคยเป็นอย่างอื่นแล้วข้อ น, นี้ผู้เดชะเจ้าแสดงอริยสัจสี่ไว้เพราะเหตุอะไรพระมหาการสบ ต, ตอบว่าเพราะว่าข้อนั้นคืออริยสัจสี่นะั้นมีประโยชน์คนฟังแล้วเนี่ยจะได้เป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติพรหมจรรย์เป็นไปเพื่อความน่ายเพื่อคลายกาหนัดเพื่อดับ ก, กิเลสเพื่อกะไปสงบ เพื่อรู้ยิ่งเพื่อตัดสู้เพื่อนิพพานเพราะเหตุนั้นพระพุม้มีพระภาคเจ้าจึงทรงพยากรณ์ไว้เนื่อที่เรามานับถือพระสัมมาสัพพุทธเจ้าหรือนับถือพุทธาสนาเนี่ยเพื่อประโยชน์อันนี้ไม่ใช่ประโยชน์อย่างอื่นเลยไม่ใช่ว่าจะมาร่ํารวยหรือว่าจะมามียศมีถาบรรดาศักด์อะไรอย่างอื่นนะไม่ไม่ใช่เป้าหมายของศาสนาครับสอนพระพุทธเจ้า เพราะอย่างอื่นันไม่ได้ประโยชน์แท้จริงอย่างอื่นที่เราหวังกันนั้นมันเป็นโทษเป็นทุกข์มันหนีไม่พ้นอุปาทานขันห้าหรอกเราจะหวังอะไรอยากได้อะไรหรือเราจะเห็นว่าอะไรมีประโยชน์มันก็ไม่พ้นไปจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่มีหนีไม่หนีไปแต่ว่าพพุทธเจ้าแสดงธรรมเพื่อให้พ้นไปจากทุกข์หลุดไปจากทุกข์หมดทุกข์สิ้นทุกข์เพราะนั้น ท่านจึงบอกว่าเนี้เนี่ยที่ท่านแสดงเพราะว่ามีประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติพรหมจรรย์คือประพฤติแล้วมันบริสุทธิ์หมดจบจากทุกขน์นะและเป็นไปเพื่อความหน่ายหน่ายอะไรก็หน่ายทุกขเบื่อหน่ายทุกขคลายกําหนัดในทุกขดับกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกขเพื่อเข้าไปสงบกิเลสเพื่อรู้ยิ่งเพราะว่าปัญญาเมื่อรู้แล้วมันก็จะเบื่อมันก็จะคลายกําหนับเพื่อถึงพระ น, นิพพาน เพะนั้นเป็นปัญหาที่เราทั้งหลายจะต้องถามตัวเราเองว่าเรามานับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยตรงกับที่ท่านมีให้เรานับถือหรือเปล่าคําสอนของท่านสอนอย่างเนี้ยสอนอริยสัจสี่เนี่ยตรงกับความต้องการของชีวิตเราหรือเปล่าถ้าชีวิตเราบอกไม่รู้ผมไม่เคยมีทุกข์เลยผมมีแต่ความสุขก็ไม่ต้องนับถือก็ได้ก็ไม่มีทุกข์ซะแล้วจะมานับถือทําไม ในเมื่อพระพุทธเจ้าสอนว่าชีวิตที่คุณถืออยู่มีอยู่คือความทุกข์หรือเน่นคุณว่าเป็นความสุขเลยนะก็ไม่ก็ไม่ต้องพูดกันอีกหรือบอกว่าเราจะมีความอยากเป็นเป็นาศาสดาของเราแล้วน ะ, นะเรานับถือความอยากตัณหาของเราเหลือเกินความอยากมันสอนอะไรเราเราก็ทำตามมันหมดก็ไม่ต้องนับถือพระพุทธเจ้าอีกแล้วเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่า ให้ตั้นหาที่เราถือเป็นศารตามันเป็นเหตุเกิดทุกข์ในเมื่อเราถือว่ามันเป็นเหตุแห่งความสุขก็ไม่ร้องรับถือกันเพระพุทธเจ้าจึงทรงพยากรณ์ไว้เพราะประโยชน์เพราะคนไม่รู้จักทุกข์มีอยู่ ม, มากมายคนที่รู้จักทุกข์จริงๆนะมีอยู่แปดคนเท่านั้นเองคืออริยะบุคคลแปดพวกตั้งแต่พระโสดาปบติมมัตบัต น, นะอันนั้นเราจรึงเรียกว่ารู้จักทุกข์จริงๆ นี่ของเราก็ยังเป็นกาลยานและผู้จุจชนก็รู้โดยฟังโดยคิดโดยเชื่อเอาว่าเอาเอมันคงจะทุกข์นนะหรือบางทีก็รู้สึกได้บ้างมีปัญญาได้บ้างเมื่อทุกข์มันต่จรทุกข์มันเกิดตลอดแต่ไอ้ทุกข์ที่เกิดตลอดลเราเราไม่รู้ตลอดเรารู้เป็นบางครั้งบางครงวาวเอเออนี่ทุกข์นะเออนี่มันปวดท้องแล้วนะหรือว่า อ, อมันเป็นโรคมากแล้วหรือบางทีต้องเสียลูกเสียสีรักไปก่อนยิงจะรู้ว่าเออนี่มันทุกข์แล้วนะชีวิตมันเศร้าโศกเสียใจแล้วแต่ความยิงทุกข์มันมีตลอดนะมันไม่ใช่ว่าเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวไม่ทุกข์เมื่อมีรูปที่ไหนความทุกข์ไม่เคยปราณีอยู่ตรงนั้นเนี่ยคุณมีมหาภูตารูปสีที่ไหนธาตุดินน้ำลมไฟที่ไหน มีสิ่งที่เข้าไปอาศาาัยอนะครับภูตารูปสี่คือสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชระไอโผฏฐพัชร์นี่คือมหาภูตารูปสี่นะไม่ก็ทุกที่นั่นคุณมีประสาท ต, ตาประสาทหูประสาทจมูกประสานรินประสาทกายอยู่กับรูปก็ไอทุกข์ที่นั่นน่ะไม่ไปไหนละ่ะคุณมีชีวิตที่ไหนชีวิตแต่รูปมันมีชีวิตติณฑิกก็ทุกข์อยู่ที่นั่นเพราะสิ่งเหล่านี้แปรปรวนเป็นนิดเดือดร้อนอยู่เป็นนิด หรือมีเวทนาที่ไหนก็จะไปหาความสุขจะไปฝันว่าเวทนามันจะให้ความสุขฝันเอาก็ไม่ได้นะเวทนาท่านก็เปรียบเทียบเหมือนกับต่อน้ํามันต้องแตกต้องพินน้าศไปมีสัญญาความจําที่ไหนก็ไม่มีไม่มีหรอกความสุขมีสังขารสังขารเนี่ย ก, ก็กรรมนั่นเองมีกรรมอยู่ที่ไหนจะเป็นบุญหรือเป็นบาป กุศลเนี่ยกุศลก็ทุกอยู่ที่นั่นนะหรือมีจิตอยู่ที่ไหนก็อย่าหวังแล้วว่ามันจะให้ความสุขได้เพราะนั้นคนที่บอกว่าเนี่ยทำจิตให้เป็นสุข ม, มันไม่จริงอะ่ะทำไม่ได้อะ่ะนะเป็นสุขได้โดยการเปรียบเทียบได้ว่าเออไอ้จิตที่เป็นบาปเนี่ยมันทุกข์จิตที่เป็นบุญเนี่ยมันสุขนะจิตที่เป็นมัจเนี่ยตอนนี้มันทำลายกิเลสชื่อว่า เป็นจิตที่มีสูงกับจิตที่ไม่ได้ทําลายกิเลสก็ก็พูดเอาได้แต่ตัวจิตเองเป็นทุกข์นะแต่จิตที่เป็นมัคเป็นผลเนี่ยเขาไม่เรียกอุปท า, านขนาันธ์อ่ะเพราะว่าตัวอุปท า, านไปยึดไม่ได้แต่โดยสภาพของจิตนั้นะมันก็เป็นทุกข์เพราะมันต้องดับจิตที่เป็นมัคที่เป็นผลนะ่หรือแม้แต่ตัวอริยมรรติองแปด สัมมาทิฏฐิคือปัญญาสัมมาสังกัปปะคือตัววิตกที่ประกอบด้วยปัญญาสัมมาวาจาสัมมาธรรมตะอะไรอย่างเนี้ยศีลสมาธิปัญญามันก็เป็นส่วนหนึ่งของสังขารมันก็เป็นทุกข์เพราะมันต้องดับเราจะไปคิดว่ากุศลอันยิ่งใหญ่เช่นมรรคกุศลเนี่ยจะไม่มีทุกข์นะมีมีโดยสภาพแห่งความดับ ค, คือมันเกิดขึ้นแล้วมันต้องดับ เป็นอย่างนั้นนี่ก็จบปรามปรมรณะสู่นะว่าพระเดเจ้าไม่พยากรณเรื่องเกิดหรือไม่เกิดใครจะพยากรก็พยากรไปท่านพยากรณเรื่องจริงอันนี้นี่ทุกนะนี่เหตุเกิดทุกนะนี่ความดับทุกนี่ทางแห่งความดับทุกใครเห็นจริงก็นับถือใครไม่เห็นจริงก็ไม่ต้องนับถือ ไม่ต้องไปเถียงกันเ อ, อท่านบอกว่าที่ว่าไม่เป็นข้อปฏิบัติไม่เป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ก็คือไม่เป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นแห่งมรรคขปรมจรรย์ข้อปฏิบัติเบื้องต้นนี่อะไรไม่เป็นไปเพื่อมีศีลหาชีศีลไม่เป็นไปเพื่อสติปัฏฐานนะไม่เป็นไปเพื่อ อิทธิบาทสี่อันนี้ถือมันเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อไปถึงมรรคตอบไปแล้วสัตว์ตายแล้วเกิดแล้วคุณทำอะไรอ่ะก็ไม่ทําทำอะไรคุณยังเป็นคนเก่านะเนี่ยคุณไม่เกิดปัญญาอะไรขึ้นมาอีกะอาตอบไปสัตว์ตายแล้วไม่เกิดคุณก็เป็นคนเก่าอีกแล้วเนะคุณไม่เปลี่ยนชีวิตคุณอนะ่ะคุณไม่รู้สึกโอ้โหชีวิตเราต้องทำให้แจ้งพระนิพพานมะันไม่มีนะอ่ะเพราะนั้นไม่ตอบ ดีไม่ดีถ้าตอบว่าตายแล้วไม่เกิดยิ่งเห็นผิดเลยเ่าเออสบายแล้วเรานะต่อไปนี้เราทําอะไรก็ทําไปเถอะตายแล้วสบายแล้วไม่มีเกิดอีกหรือถ้าตอบว่าตายแล้วเกิดก็ก็เหมือนกันนะเขาก็เขาก็ไม่รู้ว่าทําพระนิพพา น, านทําไมตายแล้วเกิดก็เกิดกันไปมันมาแล้วนี่มันมามันมาแล้วก็ต้องไปยอ่ะคือมามาเกิดแล้วก็ต้องตายไป ตามยถากรรมคิดอย่างนี้ก็เยอะแยะไปคนในโลกนี้หรือไม่คิดเลยก็มีคนที่ไม่คิดถึงเรื่องว่าจะชาติหน้าจะเป็นยังไงก็มีมันเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงสแสดงแต่พอสแสดงเรื่องนี้แล้วเนี่ยคนเขาจะฟังเลยว่าเออทุกเนี่ยจริงไหมจริงอุปทานขันห้าเนี่ยเป็นทุก์จริงไหมว่ากายนี้เป็นทุก์เพราะแก่เพราะเจ็บ เพราะตายเพราะถูกโรคภัยเบียดเบียนเยนพราะว่าต้องหาปัจใจสี่คอยลำบัดทุกข์อยู่จริงไหมก็เขาจะเริ่มฟังแล้วแล้ว่าบตำหาเนี่ยมันสร้างทุกข์ให้จริงหรือเปล่าถ้าจริงก็เขาก็จะทำปัญญาให้เกิดได้ง่ายนะคือทำข้อปฏิบัติเบื้องต้นแห่งมรรคปรมจรันได้ ที่บอกว่าพระพุทธเจ้าแสดงข้อที่มีประโยชน์ก็คือสัจจะกรรมฐานสี่ที่อิงประโยชน์ที่เรียกว่านี่ทุกนี่ทุกจะไม่จะแสดงเล่นแสดงให้ทํากรรมฐานให้เห็นจริงว่าไม่เคยเปลี่ยนอุปทานขันธ์หเป็นเจ้าของทุกข์เป็นตัวทุกทุกนั่นแหละอยู่กับอุปทานขันธ์หเป็นอย่างนี้ไม่เคยเปลี่ยน ตัณหาเกิดในอดีตปัจจุบันอนาคตก็นำทุกมาให้ทั้งนั้นไม่เคยเปลี่ยนอย่างนี้นะเขาเรียกว่าสั จ, จกรรมฐานสี่ที่อิงประโยชน์ที่ประโยชน์อันนี้คือว่ามันกาจัดมันกาจัดโทษของกิเลสคือความไม่รู้ให้มันหมดไปได้เพราะในบรรดาโทษที่ร้ายแรงที่สุดเนี่ยก็ความไม่รู้ความจริงนี่แหละคือตัวโมหะนี่แหละเป็นโทษ ก่อให้เกิดตัณหาก่อให้เกิดทุกข์ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าตัณหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดมันได้เองต้องอาศัยโมหะความไม่รู้นะหรืออาศัยความเห็นผิดในความเห็นผิดก็ต้องอาศัยโมหะเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นประโยชน์ของชีวิตเราจริงๆก็คือปัญญานะจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรแต่ไม่ใช่ว่าปัญญาของเรานะีปัญญามันกรรับใจของเรามันก็เกิดตามเหตุปัจจัย ปัญญาต้องเกิดจากการทำโยนิโสมณสิการในการฝังธรรมทำใจไว้ให้ถูกวิธีในการฝังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะเกิดปัญญาแล้วเกิดแล้วก็ต้องใช้ปัญญาคือปัญญาเนี่ยเขาจะไปพิจารณาเอาความจริงของสิ่งนั้นว่าไอ้จริงเนี้ยมันมีลักษณะอย่างนี้จริงหรือมีผลงานอย่างนี้จริงหรือ มีกิจมีหน้าที่อย่างนี้จริงหรืออุปทานกันห้ามีหน้าที่ทําทุกเท่านั้นจริงหรือมันะจริงนะไมนเปลี่ยนนะตันหาก็ทําหน้าที่นําทุกขมาให้จริงหรือเหตุของตันหาอย่างนี้จริงหรือตันหาเกิดที่ไหนล่ะตันหาดับที่ไหนลนะ่ะปัญญามันจะเอาความจริงของของสิ่งนั้นนั้นให้ชัดแจ้ง อาทิพรมมัจริยกังนั้นก็คือข้อปฏิบัติเบื้องต้นแห่งมรรคมัจรย์ก็ได้แก่ศีลได้แก่สติปัฏฐานเนี่ยผู้ได้เจ้าจะแสดงเพื่อจะให้ขัดกล่าวทีเลสนะครับแต่ตอบไปตอบปัญหาแล้วเขาไม่ได้ทำส ต, ติปัฏฐานเขาไม่ได้มีศีลก็ไม่เอาเขาไม่ได้เกิดสัมมาทิฏฐิอะไรไม่เอาแต่ถ้าพอแสดงเรื่องทุกข์ขึ้นมาแนละ้วคนจะเกิดปัญญาขึ้นมาได้เอานี้หละครานี้แหละ ก็จะเป็นประโยชน์ละแก่เบื้องต้นแห่งการประพฤติคือมันต้องมีเบื้องปลายนะเบื้องต้นของพรหมจรรย์เนี่ยนะต้องเกิดจากมีปัญญาเห็นความทุกข์ขึ้นแล้วก่อนแล้วคราวนี้ก็จะประพฤติไปจนถึงที่สุดแห่งความทุกขนะ์อ่ะคือตัณหามันหมดหรือพันธุภัณเบื้องปลายอยู่ตรงนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นก็อันนี้จะเห็นได้ว่าพระหัน์ทั้งหลายจะท่า ท่านทอะไรเนี่ยท่านคิดอะไรเนี่ยไปตามพระพุทธเจ้าไปตามคำสอนและเพื่อประโยชน์สุขของคนทั้งหลายหมดพระประโยชน์ชีวิตท่านนะทำสำเร็จไปแล้วนี้ทุกนี้สมุไทยนี้นีโรจนี้มัดเนี่ยท่านเรียบร้อยไปแล้วจึงเป็นพระาราหัตไม่ใช่พวกอย่างพวกเราคิดอะไรไปแล้วเนี่ยมันประโยชน์ตัวเองก่อนนะ มันคิดไปแล้วเนี่ยแล้ประโยชน์ตัวเองก็ประโยชน์ตัวตของตัวตันหาก่อนนะตัวตันหาเราก่อนให้เราจะได้อะไรมังเนี่ยทาไปแล้วเนี่ยนะมันคิดคนละแบบกับพระอรหันต์นะคิดไปแล้วเนี่ยไม่ได้เกิดปัญญาอะไรขึ้นมาหรอกคิดไปแล้วไอ้ตันหามันมาช่วยเราคิดแทนทุกทีเลยเพราะฉะนั้นก็คนจึงทำอะไรเนี่ยไม่ใช่เพื่อประโยชน์ตนเองนะ แต่เราว่าเป็นประโยชน์ตนเอง